Amen. Mm -hmm. คือที่เรียบพานี่เป็นูลนิที่ที่ทำเผยแผ่ในหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะยังยิ่งคนเราที่ถือพุทธศาสนานั้นเข้าใจไม่เหมือนกันไม่ว่าคนไทยคนจีนจะเป็นคนชาติไหนภาษาใดก็ตาม พุทธศาสนานั้นไม่ค่อยตรงเป้าหมายที่มาดับทุกตัวเองคือไปสนใจกันเรื่องพิ ธ, ธีรีตองหรือสนใจกันเรื่องลิธ์เรื่องเดดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็เลยไม่ตรงตามพุท ธ, ธประสงค์วันนี้ที่เรามาอบรมกันที่อารียาานี้ให้อตมา มาให้ข้อคิดควมเห็นและนำไปประพฤติปฏิบัตินั้นเพื่อทางดับทุกข์เท่านั้นไม่ได้มีวิธีดีตองอื่นใครทั้งหมดเลยที่พูดนี้คืออาตมาเองคนหนึ่งที่ได้สอบแสวงหาวิธีที่จะดับทุกข์ตัวเองเมื่อตัวเองเห็นว่าทางนี้ เป็นทางดับทุกได้แต่คนอื่นก็ต้องมีโอกาสมีเวลาที่จะดับทุกได้เช่นเดียวกันดังนั้นจะเป็นคนยุคสมัยสองพันห้าร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วนั่งก็ต่ า, ตามหรือจะเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็าตามวิธีที่จะทำให้ดับทุกนั่นต้องมีอยู่เหมือนกันเมื่อเรารู้จัก วิธีปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติได้เช่นเดียวกันจึงไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยไม่เลือกชนชาติไหนภาษาใดี้จะเขียนหนังสือเป็นก็ปฏิบัติได้เขียนหนังสือไม่เป็นก็ปฏิบัติได้เพราะว่าเรื่องภูมทุกนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีความรู้และมีเงินมีทอง มันไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเช่นนั้นคนมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านความทุกข์คือความวุ่นวายเดือดร้อนหรือความโกรธความโลภความหลงนี้มันก็ยังทำให้เดือดร้อนได้อยู่เช่นเดียวกันและคนที่เรียนหนังสือมากๆถ้าเป็นพระสงฆ์ท่านเรียนนักดนตรีโทเอก จนได้เป็นมหาป ร, รีญยนหรือจบป ร, ริญยนเก้าก็ยังมีความเดือดร้อนความวุ่นวายมีความสงสัยหรือมีความทุกข์คือความโกรธความโลภความหลงนี้เองถ้ามีความทุกข์อยู่อย่างนี้การศึกษาเ่าเรียนนั้นก็เหนื่อยเปล่าและบันทึกผู้ที่ศึกษาสายโลกก็เช่นเดียวกันเรียนตั้งแต่อหนึ่ง ถึงปริยติปริยโทรปริยเอศเนี่ยกัยังมีความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายยังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่เช่นเดียวกันอันนั้นถือว่าเรียนแล้วยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ซิ่งเหล่านี้ก็ถือว่ามีประโยชน์แต่มันมีน้อยบัดนี้พวกเรามาที่นี่ถึงจะมีความรู้ก็ได้ไม่มีความรู้ก็ได้ ถึงจะมีเงินมีทองพอได้ไม่มีเงินไม่มีทองก็ได้วิธีปฏิบัติอยางง่ายๆคือเราต้องเรียกร้องความรู้สึกความตื่นตัวให้มาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเราไม่ต้องเป็นนั่งให้มันสงบการเป็นนั่งสงบนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้เราตื่นตัวให้เรามีสติคือมันสงบมันก็เลยเข้าไปในความสงบ เมื่อพูดถึงความสงบแล้วมีข้ออุปมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเหมือนกับคนที่เราเข้าไปอยู่ในถ้ำเรามีเพียงไม่ขีดไฟหรือเทียนไขเราก็ต้องเอาไม้ขีดไฟมาจุดขึ้นเป็นไฟแล้วก็จุดเทียนไขเราเมื่อจุดเทียนไขขึ้นมาข้างหน้าแสงสว่างมันก็มีเพียงเล็กเล็กน้อยน้อยความมืดมันหลบมาข้าง บัด น, นี้เราเอาไฟมาข้างหลังความมืดมันเกิดไปข้างหน้าเมื่อเอาไฟมาข้างหน้าความมืดมันมาข้างหลังมันหลบซ่อนตัวอยู่ที่เรานั่นเองเพราะเราอยู่ในที่มืดเราอยู่ในถ้ำมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการเจริญให้มีความตื่นตัวกับทำความสงบนั้นมันจึงเป็นคนลัดเรื่องแต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังพูดว่าความสงบอยู่นั่นเองดังนั้นการสงบนั้นถ้าพูดตามหลักที่อาตมาจะนํามาพูดนี่มันมีอยู่สองอย่างด้วยคันคือความสงบแบบหนึ่งนั้นสงบแบบที่ไม่รู้ตัวเรียกว่าสงบใต้โมหะคือยังไม่รู้ต้นตอของชีวิตจิตใจของเรานั่นเองอันนั้นเรียกว่าสงบแบบอยู่ในถ้ำ ถึงจะนั่งสงบอยู่ที่นั่นนานๆาาก็าตามเมื่อไปทำการทำงานกับสังคมของเราเมื่อคนนั้นคนนี้พูดเราได้ยินหรือคนนั้นคนนี้ทำเราเห็นความพอใจและไม่พอใจมันจะเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพยายามทำามสงบไปบังคับมันไว้อดมันไว้ทับมันไว้ ไม่อยากให้มันขึ้นมาแสดงแต่อย่างไรก็ตามมันก็ค่อยๆลดลงไปมันก็ยังดีอยู่อันนั้นเรียกว่าสงบใต้โมหะสงบเพราะผมไม่รู้ที่อาตมาพูดนี้และนํามาให้เพื่อนผู้ที่ต้องการทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์จริงๆแล้วคือไม่ต้องทำความสงบแบบนั้นเราต้องเรียกร้องเอาความรู้สึก ความตื่นตัวให้เรารู้สึกเราตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อเรามีความรู้สึกความตื่นตัวอยู่เสมอแล้วความทุกข์มันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วเช่นคนนั้นคนนี้จะพูดให้เรามีความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นเพราะมีความตื่นตัวความรู้สึกตัวเห็นอยู่สภาพหรือภาวะของชีวิตจิตใจของเราอยู่ตลอดมา อันนั้นเรียกว่าสงบด้วยสติปัญญาสงบด้วยการตื่นตัวสงบด้วยการเห็นแจ้งอันนี้เรียกว่ามันเป็นการเรียกร้องความตื่นตัวให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอการตื่นตัวนั้นไม่ใช่ตื่นแล้วหนีไปไปซะอย่างนั้นคนอื่นจะพูดให้เราถึงจะมายกยอเราก็ตามเราก็ไม่หวั่นไหวกับความยกยอของเพื่อนของเรา เราจะเห็นว่าสภาพชีวิตจิตใจของเรานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมาแล้วความดีใจหรือความซึ้งสมนั้นมันผิดปกติไปแล้วอันนั้นเดียวว่าโลภะแล้วเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นเพราะเรามีโมหะโมหะนั่นคือเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่ใครไม่เข้าใจต้นตอของชีวิตจิตใจของเราที่มันฟาดปดเกิดขึ้นนั่นเอง วันนี้เมื่อมีคนมาตาหนิเรามาพูดให้เราทางไม่ดีหรือมาทําให้เราเห็นที่มันไม่เหมาะสมเราเกิดไม่พอใจอันความไม่พอใจนั้นท่านผู้รู้ทางพุทธศาสนาท่านสอนเอาไว้เรียกว่าความโกรธความโกรธมันก็เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามบังคับมันไว้แต่มันก็ยังดีแต่อันนั้นไม่ใส่เป็น คือความโกรธมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเราไม่เห็นเราไม่รู้ถึงว่าเรารู้เราก็เข้าไปอยู่ในความรู้นั้นบัด น, นี้เรามาทําความตื่นตัวรู้แจ้งเห็นจริงอยู่เสมอมันโกรธขึ้นมาไม่ได้เพราะมันไม่มีความโกรธไม่ได้มีอยู่ที่เราความโลภไม่ได้มีอยู่ที่เราความหลงคือหลงต้นต่อของชีวิตที่มันปรากฏขึ้นมาเท่านั้น ดังนั้นเราจะมาเรียกรองเอาความรู้สึกความตื่นตัวอยู่เสมอไปไหนมาไหนเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเรียกว่าพุทธะพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราเห็นเรารู้เราตื่นเราเบิกบานอยู่แล้วการทำการพูดการคิดเราก็ต้องไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆทั้งนั้น ด, er. ดังนั้นการทําวิธีนี้มันเป็นการทําง่ายๆมันไม่ได้มีพิธีตีรองอะไรทั้งหมดเลยมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศีลเรื่องการให้ทานหรือการอะไรอะไรทั้งหมดมันไม่เกี่ยวข้องทานั้นแต่มันก็ยังเกี่ยวข้องอยู่นั่นเองเกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อเราไปติดการให้ทานเราทําบุญทําทานแล้วเราก็ไปติดไปติดการทําบุญทําทานคิดว่าทําบุญแล้ว จะเป็นอย่างไงเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไรเราก็เข้าไปคิดในบุญในกุศลนั้นอยู่เราก็เลยไม่ได้ดูจิตดูใจของเราอันนี้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราไม่ต้องคิดทําแล้วก็แล้วไปเราเฉยไปได้เราดูความคิดของเราอยู่ที่ตรงนี้เช่นการรักษาศีลก็เส้นเดียวกันทําไปแล้วมันผิดศีลข้อนั้นข้อนี้นนนนปานาอทินาด้วอจะพูดยังไงก็ตามเนี่ย แล้วก็ไปคิดวิตกกังวลนำสินที่เรารักษาบริสุทธิ์ไหมถูกต้องไหมไปคิดกังวลอยู่กับเสนอนะอันนั้นก็เป็นตัวผู้อีกแล้วเพราะเราไม่เห็นผมคิดนั่นเองมันจึงว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเรามาคอยดูต้นตอของชีวิตที่ตรงนี้มันก็เลยควบคุมกันไปทั้งหมดอย่างที่เรามาอยู่ที่นี่มาทํา กรรมฐานหรือมาเจริญปัญญากันอยู่ที่นี่ในขณะ น, นี้อันนี้แหละเป็นศีลอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมกายแล้วก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรทั้งหมดและคําพูดของเราก็ไม่ได้ไปโกหกพูดเท็จอะไรทั้งหมดจิตใจฟองเรามันนึกคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราก็ปัดทิ้งเมื่อปัดทิ้งไปแล้วความคิดมันก็เลยไม่ได้ถูกปุงอันไม่ถูกปุงนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าศีล สิงจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาบกิเลสอย่างหยาบคือมันคิดไปอันนั้นคิดมาอันนี้คิดถึงทานคิดถึงสิมอันนั้นแหละตัวกิเลสอย่างยาบดังนั้นคนไม่รู้จึงจะออกจากปกุ๊ไม่ได้คนไม่รู้ก็ต้องอยู่ที่มืดเหมือนกับอยู่ที่ในถ้ำนั่นเองบัด น, นี้เราไม่ต้องอยู่ในถ้ำเาถอนตัวออกจากถ้าเราไม่ต้องจุดไปก็ได้เราไปไหนมาไหนคนสะดวกสบายดี นี่ยเป็นอย่างดังนั้นการขบุ่ก็ตามหารักษาศีลก็ตามถ้าหากว่าเราไปติดไปยึดอยู่แล้วเหมือนขับวุ่นที่อยู่ในถ้ำนั่นเองดังนั้นวันนี้ที่พวกเราได้มาเจริญสติมาเจริญปัญญาเพื่อให้พบเห็นต้นตอของชีวิตจิตใจของเราชีวิตของเราจริงๆนั้นมันเป็นปกติมันไม่ยินดีมันไม่ยินไลมันสวย แต่ตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานั่นคือจิตแต่ตัวจิตนั้นมันก็นไม่ได้เป็นตัวทุกข์เพียงมันคิดขึ้นมาแวบเดียวเท่านั้นเราก็เลยรู้เปในความคิดเลยเข้าไปในความคิดเมื่อเข้าไปในความคิดมันก็เลยปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไปอันนั้นดีอันนี้ชั่วไปเราก็เลยไม่ได้เห็นควมคิดของเราแบบ น, นี้คนเมื่อไม่ได้นความคิดของเราแล้วมันไปทําการทํางานอะไรก็ตามและมีคนนั้นมาพูดให้เรา เสียใจเกิดไม่พอใจเสียใจขึ้นไปแล้วความเสียใจเกิดขึ้นก็มีความโกรเกิดขึ้นแล้วก็มีความโลภเกิดขึ้นเพราะความหลงที่ตรงนี้อันนั้นแหละตัวทุกข์อันนั้นแหละตัวบาปบาปจริงๆทุกจริงๆเรื่องนี้โดยมีธรรมะคำคำหนึ่งที่ท่านสอนเอาไว้ในหลักสูตรนักธรรมสันติมีอยู่สี่หมวดด้วยกัน แต่จะนํามาเล่าให้ฟังในที่นี้เฉพาะวันนี้จะมาพูดเรื่องเราเคยพูดเคยเรียนกันในหนังสือนบัโววาดว่ า, ว า, วาทำที่เป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างแต่พระเนนเคยเรียนและใครๆก็ต้องเคยเรียนแต่ไม่เคยเอามาพิจารณาว่าทำที่เป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างอีนี้ผมน่าอายแก่ใจโสดะปะขวมเกลงตัวต่อบาก ทีนี้ผมละอายแก่ใจในขณะที่เห็นเพื่อนเรามาพูดคุยอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นภายนอกแต่ละอายแก่ใจนี่คือจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราต้องเอาชนะมันได้อันนี้เรียว่าละอายแก่ใจคือผมคิดนั่นเองไม่ให้มันได้ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไปอันนี้ไปว่าทีนี้ผมละอายแก่ใจตามพัฒนะ ความรู้ความเห็นความเข้าใจของอาตมาเข้าใจไปอย่างนี้บทปาทความเกงกลัวต่อบาปกรรมบาปคือตัวที่ไม่รู้ตัวควมคิดตัวนี้นี่เองเมื่อมันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็ปรุงเมื่อมันปรุงขึ้นมามันก็เป็นทุกข์อันความทุกข์กับบาปมันเป็นอันเดียวกันตัวบาปกับตัวทุกข์นั่นแหละตัวทุกข์มันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนตัวบาปก็มันไม่เป็นตัวไม่เป็นตน คือตัวคิดขึ้นมาแวบเดียวนั้นเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็นเลยเข้าไปในความคิดอันนั้นมันก็นเลยพุ่งไปเมื่อพุงไปแล้วก็เป็นตัวบาปอันนั้นเรียกว่าตัวบาปเราจะไปหาตัวบาปไม่เห็นบาปเพราะเราไม่มีปัญญาตัวบาปไม่มีตัวไม่มีตนถ้าหากคนมีปัญญาทำความตื่นตัวเรียกร้องเอาสติเอาปัญญาเข้ามารู้ตัวอยู่เสมอพอดีมันคิดุขึ้นมา เราเห็นปั๊บทันทีเหมือนแมวกับหนูอย่างนี้แล้วความคิดนั่นมันก็ถูกหยุดทันทีถ้าแมวจับหนูแมวก็ต้องตายทันทีมันซอกขึ้นไปแล้วความคิดก็เลยไม่ถูกปุงปาบาปก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยท่านว่าอดตบความเกงกลัวตัวบาปคําว่าโอดตบความเกงกลัวตัวบาปนี่ไม่ได้กลัวที่อื่นเราจะกลัวความคิดตัวนี้นี่แหละพูดสั้นๆอันนี้ไม่ต้องพูดมาก วิธีปฏิบัติอย่างนัดลัดอันนี้ถ้าจะพูดโดยสมมติให้ฟังก็ที่เรามาที่นี่เดี๋ยวมาฝึกหัดไม่ใช่ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมาฝึกหัดมาฝึกหัดเหมือนกับนักมวยเนี่นักมวยเนี่ ย, ย, ยใครสกเก็งก็ได้เป็นแซมเปียตเป็นผู้นําของโลกทันวัอย่างวันนี้เรามาที่นี่ก็เหมือนกันเรามาฝึกหัดดูคนคิดของเรามาฝึกหัด เรียกเอาความตื่นตัวขึ้นให้รู้พอได้นักมวยขึ้นไปในเวทีมีคู่ต่อสู้ต้องซกทันทีเราไม่ต้องไหว้คูไม่ต้องไปรีบเริ่มเรียกร้องเอาตำลาอยู่ที่นั้นทีนี้อยู่ในมัดนั้นมัดนี้หน้าที่เท่านั้นเท่านี้ภูติเ ท, ท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องไปเรียกร้องมันเลยอันนั้นเรียกว่าตำลามันต้องมีคูเราไม่ต้องไปไหว้คู่ทีนี้เราฝึกหัดเรามาที่นี่เราฝึกหัดซก พอดีมันคิดขึ้นมาเราซกทันทีแต่ไม่ได้ซกด้วยมือเรารู้เราเห็นก็เหมือนกับเราซกนั่นแหละพอดีมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้ก็เหมือนกับนักมวยที่เราไปหัดซกเดี๋ยวนี้แล้วเราหัดซกเราเรียนซกไม่ใช่เราไปเรียนตำราเมื่อมีคู่ต่อสู้ขึ้นในเวทีไม่ต้องไหว้ครูเลยเข้าไปในสนามก็ต้องซกทันทีขึ้นในเวทีต้องเพราะคนนี้จะมาเป็นคู่ต่อสู้กับเราต้องซก เมื่อซกแพ้สนะมันเป็นธรรมดาอย่างที่เรามาอบตุกขัดโตตาดเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อมันคิดมาไม่ทันนะคับธรรมดาเราต้องกระตุกเมื่อเราแรงๆทําคนรู้สึกแรงๆเหมือนกับนักมวยขึ้นไปในเวทีซกเขาแพ้เข้ามาเราก็ต้องไม่เสีย อ, อกเสียใจเราต้องไปฟิตเราไปหัดเมื่อเราฟิตเราหัดซกบ่อยๆเมื่อเป็นซกเขาในเวทีเที่ยต่อไปมันอาสนะได้ เมื่อชนะแล้วเราก็ต้องอยังไม่พอเราต้องซกใครเก่งก็ต้องซกไม่ต้องกนะลัวว่าคนนั้นเก่งเป็นเซมเปี้ยนมาแล้วเคยเป็นจอมโลกมาแล้วไม่ต้องกลัวเลยเราต้องไปสซกคนที่เคยเป็นเซมเปี้ยนเคยเป็นจอมโลก น, นั่นแหละเป็นนักมวยเอกทั้งโลกนะั่นแหะต้องไปซกคนผู้เช่นนั้นเมื่อเราซกชนะแล้วอันนั้นแหละเราจะได้เป็นเซมเปี้ยนเป็นจอมโลกได้อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องไม่แต่เป็นนั่งสงบอะไรกัน เราต้องไปดูดูมันคิดขึ้นมาเราต้องเอาทันทีไม่ต้องไปไหว้ผูไม่ต้องไปนึกหาต ำ, ตำลำตําราอะไรนะตำลับตำลานั้นมันอยู่ภครเราเราไปจํามันลืมเมื่อมันลืมแล้วไปแก้ไปได้เหมือนกับคนที่ไปอยู่ในถ้ำนั่นเองบันนี้เราออกจากถ้าเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับตัวหนังตือเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับตํำรับตําราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคําสอนของไข่ทั้งหมดเลย เราต้องเกี่ยวข้องกับต้นตอตัวชีวิตจิตใจนี้เองนี่มันอยู่ที่นี่เมื่อเราเอาชนะที่ตรงนี้แล้วคนอื่นนั้นจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาตัวหนังสือจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อเราเห็นเช่นนี้พูดเช่นนี้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเหนานี่เองคือว่าเจ้าสายทิสุมานี่แหละขาวหนึ่งไปพูดกับพระวรกลิก์พระวากลิข์นันสอบพระพุทธเจ้า ต้องการอยากเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปไหนมาไหนก็คอยติดตามดูแลอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาพระพุทธเจ้าของเราเด่นแนะแนวให้พระวักะลิกเจริญสติเพราะว่กะลิกไม่เคยเจริญสติไม่เคยเรียกร้องเอาความตื่นตัวความรู้สึกตัวเข้ามาหาตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยท้าทีโตวักกะลิกไล่วะกกะลิกหนีวักกะลิกก็ไม่มีที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้า บรร nam ให้หนีก็จะไปโดดเหวตายว่าอย่างไรพอดีพระวรกลิกจะไปโดดเหวตายแล้วพระเจ้าก็เลยไปหวงหน้าเอาไว้หรืว่าไปต้อนเอาไว้พระวรกลิกจะไปที่ไหนถามพระวรกลิศผมจะหนีหนีไปที่ไหนก็หนีไปโดดเหวตายเมื่ออยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาให้ดูลูกสมของพระเจ้าแล้วก็ไม่มีที่พึ่งทางไหนดีเท่าตายสันนิพระเจ้าก็เลยพระวรกลิกเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่จัง อันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้มันเป็นวัตถุมันเป็นเพียงรูปกายอันตัวหนังสือเขียนไม่เอามาท้อมาจํากันนั้นอันนั้นนั้นก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไปนสนใจมาทำํำไม่แต่กันยังดีนะพระพุทเจ้าก็เลยบอกพระวักกะรีว่าคือต้นตอของชีวิตจิตใจที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ใช่เป็นอันนี้คือจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมาโนนมันที่เป็นลึกนัก อันนั้นแหละมันทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่กากัลเล็กก็สานึกตัวได้แล้วก็มีจิตมีใจเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าพระวัคเล็กก็เลยขับเข้ามาดูที่ต้นต่อของชีวิตจิตใจของพระวัคคะล็กพระวัคคล็กก็เลยเห็นความคิดของตัวเองลักษณะความคิดนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวชีวิตจิตใจจริงๆนั้นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้ว ก็เลยเห็นธรรมต้นต่อของชีวิตจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตัดต่อพระวรคัพเรีกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะสายจีวรของเราอยู่หรือจะจับนิ้วมือของเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมท่านเห็นธรรมสมัยนี้ก็ต้องไปสอนกันอีกแล้วที่อาตมาเคยไปเห็นและตัวอาตมาเองคนหนึ่งเคยได้ทำมาเช่นี้ ในสมัยเมื่อเป็นเณรเคยฝึกกับอาจารย์อาจารย์ต้องให้ไปนั่งขัดสมาธิทําจิตใจให้สงบเหฮงดวงกระสินเข้าไปเห็นสีแสงหรือแสงสว่างอะไรต่างๆที่ท่านสอนมาบางครัง้งบางคราวก็เห็นผีสีแสงเทวดาอะไรต่างๆที่สอนมาอันนั้นแปลว่าคนลลงตู่คนไม่เห็น โซซีวิตของเราอันนั้นแปลว่าคนไม่รู้ไปเห็นพระพุทธเจ้าไปเห็นพระพุทธรูปไปเห็นดวงแก้วลอยมาเนี่ยมันเข้าใจยังควาจริงคือจิตใจของเรานี่แหละมันคิดพูดออกไปแล้วเราไม่เห็นมันมันก็เลยเป็นมายาหลอกลวงเราคราวนั้นอาตมามาที่วัดสุนทานเนี่ยมีคนไปพูดเรื่องนี้มีจํานวนมากเพราะทางกรุงเทพเนี่ยเคยปฏิบัติแบบนั้นมากที่สุด ต้องเห็นดวงแก้วต้องเห็นพระพุทธรูปต้องเห็นแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยพูดกันอยู่นะอันนั้นแต่คนไม่รู้คนไม่รู้มาสอนมันก็ต้องไม่รู้อัตมาเคยทํามาเรื่องนี้วันนี้อัตมาพูดให้ประวะ่าอันนั้นไม่ใช่นิมิตมันเป็นมายามันหลอกลวงคนที่สอนไม่รู้จักคนเลยไปจับเอานั้นเมาเป็นนิมิตมันก็เลยผิดไปจากเป้าหมายนิมิตท่านแปลว่าเครื่องหมายท่านสอนอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเครื่องหมายอันนั้นอันนั้นเราจะปไปจับไว้มันได้ไหมมันเห็นแล้วก็หายไปเลยมันจะเป็นนิมิตจะทําไมอันนั้นเกิดนิมิตของคนไม่รู้อันนี้แหละคําสอนของรพระพุทธเจ้ามันเคลื่อนมาเคลื่อนมาจานแล้วมันหายไปจากต้นจนปลายไม่ได้เลยนิมิตแล้วเครื่องหมายคําว่านิมิตกับเครื่องหมายเรากำมือรู้สึกตัวเหยียดมือรู้สึกตัวพิษตารู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัว คือ น, น้ําลายผ่านลงไปในลําคอแล้วรู้สึกตัวอันนี้แับวันนี้มิตจริงๆเราเรียกร้องความรู้สึกเรามาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเรานี้บัด น, นี้มันคิดขึ้นมาส่วนลึกที่จิตใจบัดเนี้ยมันคิดขึ้นมาแวกเดียวเราเห็นอันนั้นแหละมีมิตรจริงๆรงิมีมิตเราเครื่องหมายเราคอยดูมันเหมือนกับนักมวยเนะี่ขึ้นในเวทีพอดีคนนั้นคนจะซกเรามันต้องไหวตัวมันพอดีคนตาดีเนี้ย พอดีคนนั้นไหวตัวคนนี้มันซกแล้วนี่พอดีมันไหวตัวจะซกเราเราต้องซกมันก่อนนี่อันนี้เปรตวันนี้มิตคือสายตามันจะไปจ้องคู่ต่อสู้กันอยู่นั้นเป็นอย่างนั้นพอดีเขาจะซกเราเราซกก่อนเหมือนกับความคิดที่เรามันจะคิดขึ้นมามันต้องเคลื่อนไหวเราก็ตัดมันทันทีความคิดนั้นก็เลยไม่ถูกคุงอันนี้ปรตวันนี้มิตอันนี้ตามความเข้าใจในทัศนะของตัวเองแต่มันอาจจะขัดกับตำราของบุคคลที่เรียนมามากๆ ถึงจะขัดก็ตามอาตมาไม่ไม่ได้วิตกกังวลกับคนที่เรียนมามากเพราะอาตมาจะแก้ปัญหาตัวเองว่าไม่ต้องมีทุกจะไปทํางานทํางานกับเพื่อนฝูงก็โดยที่ไม่มีทุกจะพูดจะคุยกับเพื่อนฝูงก็โดยไม่มีทุกอันนี้พ อ, พอแล้วนี่แหละหลักศนที่ว่าคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวอาตมาเป็นพระพุทเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นพระพุทเจ้าแต่มันมีหลักษณะอย่างนั้นทุกคน ทุกคนมันต้องมีกายกับใจกายที่มันเป็นวันตถุมองเห็นด้วยตาใจนั้นมันมองไม่เห็นท่านจึงสมมุติขึ้นมาสมมุติบัญญัติคือบัญญัติขึ้นมารักษาสิลบัญญัติขึ้นมาให้ทานบัญญัติขึ้นมาต้องเป็นน้ำกรรมฐานบัญญัติขึ้นมาต้องไปเจริญวิปสัสนาบัญญัติขึ้นมาอันนี้นเรียกว่าสมมุติบัญญัติปารมัตบัญญัติคือทำจริงอีกอย่างหนึง่ง พูดอย่างหนึ่งก็นอนมันล่วงพ้นไปจากการบัญญัตินั้นแต่ว่าได้เรียกว่าเป็นปารมัดบัญญัปารมัตแปลว่ามันล่วงพ้นจากสิ่งที่บัญญัตินั้นไปหรือกําลังเห็นกําลังรู้กําลังเข้าใจกําลังมีอยู่อันนั้นขอเรียกวเป็นปารมัดเหมือนกันเนี่ยเรื่องปรมัดมันเป็นอย่างนั้นที่รู้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไปยืมตารามาพูดนนี่นพูดด้วยความจริงใจหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อจะทําเพื่อความหลุดพ้น ไม่ใช่จะหลุดพ้นหนีจากโลกนี้ไปไม่ใช่อย่างนั้นคือหลุดพ้นจากความพุกนี้เองบัดนี้อัฏฐะบัญญัติอัฏฐะนั้นทางตัวหนังสือหรือตําหนักตาราเขาว่าอัฏฐะเขาเรียกนักแปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชิวะสัมมาวายมะสมาตาติสัมมาสมาธิท่านเอาไว้เอาไว้ตําราไม่ต้องมาสอนกัน ถ้าเกิดขึ้นก็ปัจเจตชนไม่รู้เข้าทันความคิดของตัวเมื่อมุ่งกระจับเ<ต>มือ่อปฏิบัติเพื่อรู้เข้าทันความคิดของตัว ค, คิดออกในขณนัน้คิ ด, คดวูกออก้นอิบไปคนก็เริ่มเห็นอัตติของตัวตรงนี้แหละที่เรียกที่พอจะเรียกได้ ว, ว่ารู้จักตัว คำรู้จักตัวเองนี้เป็นคอพูดที่ง่ายแต่มีหลายที่ซับซอ้อนเลยริงจรเดความเรารู้จักตัวเองหมายวาว่าเราได้กัจกปัปัดปามายาวภาพสิ้นแสน่แล้วผู้ที่รู้จักตัวเองนั้นผู้ที่เชี่ยงลากเราี พวกเราหนี้ยังไม่สิ้นทุกสัญญาณร้ายพิษร้ายในชีวิตยีงมีตราบแต่ที่เราไม่สิ้นทุกเราจะไม่รู้จักตหนีไม่ว่าคุณฟังชุจบจุบเรียนรู้สัญญาณสัญญาณว่าทุกข์ยังเปลียนเปลียนอยู่เราต้องปฏิบัติต่อไปเพ่เพิ่มได้สําคัญมากหมาย เราได้บรรลุถึงพุณธรรม ท, ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่คิดจ้องเสมอว่าใด้บรรลกถึงพุณธรรมยิ่งใหญจะต้องตกต่ำโดยอันนั้นเอาไว้ก่อนนึกตำราอย่าไปยุ่งมันคำว่าอัฏฐะปัญญะหมายถึงมันลึกรับอัฏฐะไปว่าลึก ขัดขาไปว่ามักแ8ดถ้าจะพูดตามตัวหนังสือนะครับว่ามักแปดในเขาเรียกว่าผ้าโสดามักมักคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงควาดับทุกเขาว่าอย่างนั้นมักคือผ้าโสดาในมักแปดคือวพระ้าโสดามักเนี่ยผ้าโสดาผลผ้าสักกิทาคามีมักผ้าสักกิทาคามีผลพระอนาคาบีมักพระอนาคามีผล พระอหันตมะพระอรหันตผล อ, อันนี้แปดคู่สี่คู่แปดบุรุษอันนี้มัชมัชจริงๆอันนี้มัชแปลว่าข้อปฏิบัติแบบนี้มัชคือเอาสติมาดูจิตดูใจอันนั้นแปลว่าอัตชาบัญญัติอริยะบัญญัติผู้ที่เป็นอริยบุคคลจึงสามารถที่จะเห็นเขาเรียกว่าอริยบัญญัติแต่บัญญัติสมมติขึ้นมาว่าเป็นอริยะบุคคลไม่ใช่เป็นเน่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นคืออริยบุคคลอาลีแปลว่าข้าศึก ยะเป้าคนไปพลาดจุดคืนตัวคิดนี่แหละนี่วะเป็นข้อปฏิบัติดี่วะมากักจุดเอาสติมาดูดูเพื่อปฏิบัติไม่ได้ว่าปฏิบัติดูที่นี่นะอันนี้มาฝึกหัดปฏิบัติจะก็หมายถึงไปไหนมาไหนทําการทํางา น, งานพูดคิดอะไรต้อ ง, องดูมันแต่มือต้องทําได้แล้วเรามาฝึกหัดนม่ฝึก บ, บ่อยๆความเคยเสีนมันต้องเป็นเองความเป็นเองนั่นธนวัฒน์เป็นธรรมชาติ มันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะไปกับธรรมชาติท่านวาจาแต่เราก็เลยไปจำเอามันมันไม่ได้เป็นของเราอันนั้นเรียกว่ายืมคําพูดของคนอื่นมาพูดเราต้องเอาของเราไปพูดเราไม่ต้องไปยืมเอาจากกตำลักตานาและไม่ต้องไปยืมเอาคําพูดของใครทั้งหมดเลยที่พูดนี้มันเป็นอย่างนั้นเราทุกคนต้องมีอย่างนั้นต้องประสบอย่างนั้นจริงๆ คือเรามาปล่อยดูผมคิดแต่ไม่ได้นั่งดูอยู่ที่นี่นะถ้ามานั่งอยู่อยู่ที่นี่ก็เลยไม่ได้ทําการทํางานอะไรทั้งหมดเลยอาจจะไปทําการทํางานอะไรก็ไม่ได้เพราะเราเป็นนั่งอยู่แล้วมันปลาตจากไปแล้วคือมันไม่ต้องเป็นการปฏิบัติขับแล้วอันนั้นเดี๋ยวนี้เรามาฝึกหัดพราเวลาว่างสมมติว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เนี่ยเราว่างวันเนี่ยเราต้องทําเมื่อเราทําแล้วเราฝึกหันแล้วเราออกจากที่นี่ไปไปไ ป, ไปปฏิบัติ คำว่าปฏิบัติมากกว่าทำการทํางานพอดีมันคุบเดี๋ยคิดขึ้นมาปุ๊บเราฝึกหัดได้แล้ววะเนี้เราเห็นเราเห็นมันกะทุกข์ยู่ทันทีเหมือนกับนักมวยเนี่ยพอดีเขาซกเราเราซกเขาอ่อนเนี่พอดีเราเขาถูกหมัดเราเขาต้องเซนี่เลยเมื่อเขายืนคาที่ไม่ได้เพราะมันถูกหมัดของเราหมัดหนักแล้วคนนั้นจะเข้าม า, าหาเราทำไมได้เหมือนกับคุณคิดอันนี้เองพอดีมันคิดขึ้นมาเรามีสติเห็นรู้ เพราะเรามองมันอยู่นี่คอยจ้องมันมันก็เลยปรุงไม่ได้อันนี้หลยว่มามัดมัดข้อเราระวังดูอยู่เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเมื่อปฏิบัตินั่นคือว่ า, า, าวมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วนี่ว่าเราปฏิบัติได้แล้วอันนั้นนอ่เอาไปปฏิบัติกับการกับงานได้ทุกลมหายใจผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ผู้ชายก็ปฏิบัติได้จะเป็นโซนซาต ไ, ไหนภาษาใดถือศาสนาไหนก็ปฏิบัติได้อันนี้นี่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ทำคือตัวเรานี่เองทำทางกายบ้างทำทางวาจาบ้างตัวจิตใจนึกคิดอันนั้นก็เป็นธรรมะอีกแล้วนี่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้ว่าไปเจริญอันนั้นไปเจริญอันนี้อันนั้นมันเป็นวิธีการมันเป็นวิธีการยังไม่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างที่เรามาฝึกหัดเป็นจังหวะยกมือไปเอามือมากำมือเหยียดมืออันนี้ก็เป็นวิธีการยังไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรม เป็นวิธีการเพื่อจะเข้ามาถึงจิตใจได้เองเพื่อจะให้รู้ต้นตอของชีวิตจิตใจได้เองเมื่อเราเห็นต้นตอของชีวิตจิตใจอันนั้นแหละเป็นการปฏิบัติธรรไปที่ไหนก็ต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปเป็นคู่กับชีวิตของเราตัวชีวิตนั้นมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าทุกข์บ้างสุขบ้างมันไม่รู้นะมันเฉยๆอันทุกข์นันคือตัวจิตแต่ตัวจิตนั้นไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ตัวจิตมันคิดขึ้นมาแวบเดียวเราไม่เห็น ไม่เห็นก็เลยปรุงเราไปพอดีปรุงไปเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่เห็นเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นทุกข์เพราะโทสะมันเกิดขึ้นมาโลภภาพมันเกิดขึ้นมาอันไม่เห็นนั่นทางธรรมะเรียกว่าโมหะภาษาบ้านอาตรรมาเรียกว่าลืมเรียกว่าหลงหรือไม่เข้าใจเว่าอย่างแต่ภาษาธรรมะเรียกว่าโมหะคือความไม่รู้ทันวันบัด น, นี้ทางตำรับตำนาครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านสร้างแปลหนังสือท่านก็นยกไปไว้ ป, ป, ปฏิจจสมุปบาทบ้าง ทั้งกายกไปไวอายตนะภายนอกภายในบ้างอันนั้นเป็นคำพูดคําว่าอาวิชชาเนี่ยทุกคนเคยพูดมาอาตมาเคยไปเห็นอาจารย์หลายคนในอาจารย์คนที่สอนอาตมาก็าเช่นเดียวกันอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผลสัมภ ขัดสาเ ป, ป็นัจได้เกิดเวทนาเวทนาเลื่อยๆไปเลย่ะไม่ต้องพูดหลายก็ได้สิบเอ็ดสิบสองบทอันอวิชชานี่ยอย่าไปสนใจมันไม่เต้แบบไม่รู้หนังสือไม่รู้เงินไม่รู้กินข้าวไม่ใช่อย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะอนวิชชาคือเราไม่เห็นต้นตอของผมคิดนี้เองเมื่อมันคิดขึ้นมามาปรุงไปเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารแต่ปรุงสังขารเป็นไ ป, ปได้เกิดวิญญาณวิญญาณไปวารุ มันรู้มันเข้าไปในกอมรู้แล้วอัอนนี้มันเป็นวิญญาณไปแล้ววิญญาณอันนั้นเราวิญญาณพุกบเราต้องเข้าใจอย่างนั้นวิญญาณปุ๊อะวิญญาณรู indistinct. ้เป็นวิญญาณพุ๊บตอนนี้วิชาแบบนี้วิชามแล้ว่ามันคิดพุ๊เราเห็นฟัดตรงคิดมันหยุดทันทีเรียกว่าปัญญาปัญญาแปลว่ารอบรู้ในกองสังขารคือสังขารร่างกายนี้อีกส่วนหนึ่งสังขารทางจิตใจอีกส่วนหนึ่งคือมันรอบรู้เรียกว่าปัญญา ปัญญานี่ย่ะครับมันเพียงคําพูดมันเพียงคําพูดนนปัญญาแปลว่ารอบรูดในกองสังขารโทษจะเกิดข้อความลําเมิดลําเมิดคือเราไม่เอาใจใส่ไม่เอือเฟนนื่อ่นเองเราลําเมิดคือเราไม่สนใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไปสนใจในการศึกษาเรียนเอาจําเอาเราก็เลยไม่สนใจที่ต้นตอของชีวิตจริงน่อันนี้เป็นหลักวิชาที่จะปฏิบัติน้อยน้อยนัยดนัดเนี่ยเมื่อคนใดรู้จักอย่างนี้แล้ว ไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่ต้องเป็นพระอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ต้องเป็นเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ after, พระจะพูดยังไงก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติที่ว่สมมุติบัญญัติมีมากปามัดบัญญัติก็มีน้อยลงไปอัถฐบัญญัติก็ยังน้อยลงไปอริยบัญญัติก็ยิ่งน้อยลงไปไม่เป็นอย่างนี้คำว่าสมมุติบัญญัติคือสมมุติอันนั้นอันนี้สมมุตินักทำตีโทเอกเนื้อพอนึ่งกอน้ำจนเป็น ปริยัติปริยัติถูอันนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นแต่ว่าสมมุติยังมีมากปรมัดมันกำลังขี่กำลังเขียนกำลังเรียนอยู่พ้นไปจากอันนั้นอันนั้นก็เป็นปรามัดอัฏฐะบันเน็ตอัฏฐะเขาเรียกสัมมาทิฏฐิคือยมันยุ่งเห็นถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดไปมันยุ่งเรื่องตำราแล้วมันยุ่งเป็นอย่างนั้นวันนี้อัฏฐะวันนี้อริยะปัญญาทุเรืเป็นภาพโสดาภาพสกีทาพาไปเรื่อยๆไปเลย ได้สารนั่นสารนี้ไปเอาแล็บอะไรปฐมมานทุติญาณานตาติญาณสารจัตุธาสานปัญจ ม, มันเป็นเรื่องคำพูดทั้งนั้นดังนั้นเรามาทีน่นี่มาปฏิบัติเพื่อหลุดพน้นท่านไว้ผู้หวังจะหลุดพน้นหลุดพน้นประจากที่ไหนหลุดพ้นจากความปรุงแต่งก่อนที่จะหลุดพ้นเราไม่ต้องไปทําอะไรเพราะมันหลุดพ้นอยู่แล้วคือมันก็ไม่ได้ปรุงอยู่แล้วเพราะเราไม่เห็นนี่เรามาดูที่ตรงนี้เมื่อเราเห็นแล้วมันก็หลุดไป อันนี้แหละเี๋ยวหลุดพ้นไปจากสมมุติหลุดพ้นจริงๆอันนี้รับรองได้ทุกคนต้องได้ทุกคนต้องเป็นเพราะมันเป็นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วต้นตอของชีวิตจิตใจนั้นมันเป็นปกติมันไม่มีทุกมันไม่มีสุขมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจะมีอะไรมามันก็เป็นอย่างนั้นแต่ตัวทุกนั่นคือตัวคิดแต่ไม่ใช่ตัวคิดแต่ตัวรู้คมคิดนั่นแหละ มันเข้าไปในควมคิดมันเป็นวิญญาณรู้เนี่ยดูว่านะเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปาบาทเอาวิญญาณเป็นปไปแจเกิดไปมันเข้าไปในวิญญาณนะเป็นภบเป็นชาติเป็นโซก่าบริเทวั น, พนาภาพโภมาลัสอาวายาตก็เลยเป็นคบร อ, อกไปทั้งหมดบัดนี้เราไม่ต้องไปเรียนก็ได้ไม่ต้องไปเรียนก็ได้เพราะเรามาดูที่ตรงนี้มันก็เลยจบกันทั้งหมดเลยหรือจะแปลยัยงไงก็ได้คําสอนของพระพุทธทั้งหมดเลยอาตมากายืนยันรับรองบอกว่ามันไม่มี มันไม่มีเลยมันมีขึ้นมาเพียงสมมุติมาพูดกันเท่านั้นเองแน่เป็น้านรับรองได้การรับรองทำไมเพราะพระเจ้าท ส, สอนเรื่องจิตเรื่องใจท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะเคยได้ยินว่าในสมัยพระพระเจ้าของเราเนี่ยก่อนที่จะได้เป็นพระพระเจ้าจัดธาดเลือขันไปอธิษฐานในแม่น้าที่ในประเทศอินเดียน้าอะไรน้าอัน เนรันสาลังสอนอะไรต่อมาก็ไม่ได้ไปเห็นในประเทศอินเดียก็เพียงคำพูดของคนพูดให้ฟังมาเอาขันไปวางโลที่นั้นแล้วก็เลยอธิษฐานว่าถ้ า, าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสัรู้เป็นพระเจ้าจริงๆริข้ากิเลสตายคายกิเลสหลุดจริงๆ ร, งลลล ร, งรงแล้ววางธาตุหรือวางขันไปนี้ลงไปน้ํานี่แล้วให้ธาตุไปนี้ละขันไปนี้ทวนกระแสของน้ําขึ้นไปวันนี้ถ้าหากว่าจะไม่ได้ตัดสัตรู้ ไม่ได้เป็นพระเจ้าฆ่ากิเลสไม่ตายคากยกิเลสไม่หลุดดักทุกข์ไม่ได้วางขันหรือธาตไปนี่ลงไปแล้วถ้ามันไหลไปตามกระแสของน้ำมันว่าอย่างอันนั่นเป็นคําพูดคือทวนกระแสของน้ำเนี่ยทวนกระแสของภพทิศนี่เองพอดีวางขันลงไปขันก็เลยทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงหัวกะลนาที่ไหนพวกนั้ไปจมลงหัวกะละนากะละนานอนหลับอยู่แล้วัอันนี้อท่านเล่าให้ฟังพ่อก็เล่าให้ฟัง ครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังแต่มันเป็นคําพูดเป็นเรื่องสมมุติกะลานกะลนาค น, นอนอยังไม่ตื่นเดี๋ยวนี้ยังไม่ตื่นเลยหลับพอดีขันไปจมลงถึงหังวกะล้นาคกะล้านนาค ก, ก, ก็เลยตื่นขึ้นมาว่าใครตัดสู้เรานอนอยังไม่ตื่นเลยเนี่ยอันนี้แหละคือเรานอนหลับทับสิบแต่กะล้านนาคคือตัวเราเองนอนอยังมั้นแดงไม่เคยมาสนใจนอนหลับทับสิบไปสนใจในเรื่องคนนั้นไปสนใจในเรื่องคนนี้ คนนั้นทําบุญมากคนนี้ทําบุญน้อยคนนั้นรักษาศีลดีคนนั้นรักษาศีนไม่ดีคนนั้นเป็นอย่างนั้นโอโ้โหมันเป็นเรื่องสมมุติจะเป็นสนใจใเขาเลยสนใจเรื่องตัวเราสนใจเรื่องตัวเราจริงๆรแปลว่าเราดวนกระแสะของความคิดความคิดมันจะแยกออกจากตัวเราไปมันจะไปสนใจคนนั้นอักไม่ถูกแล้วเราต้องกระตุกเราอย่างนี้พอได้กระตุกแล้วมันจะวางความคิดนะั้นมันจะกลับเข้ามาคนรู้สึกเรา อันนี้เรียกว่าทําความรู้สึกทำความตื่นตัวเรียกร้องเอาความรู้สึกเรียกร้องเอาความตื่นตัวเข้ามาที่ตัวของเราทําให้เราไม่มีทุกข์แล้วก็กหลุดพ้นไปจากความทุกข์อันนี้ว่าทําการหลุดพ้นทาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อทําให้ความหลุดพ้นพระนเองไม่ได้มีอะไรทั้งหมดไม่ใช่ว่าหลุดคนแล้วหนีจากโลกนี้ไปอยู่ที่ไหนอันนั้นก็ไม่ถูกแล้วคือหลุดพ้นจากความโกรธความโลภความหลงนี่เอง ถ้าจะพูดจะนี่ก็ได้หรือพ้นจากการปรุงแต่งก็ได้แต่ความโกรธความโลภความหลงไม่มีผ่านปรุงแต่งไม่มีความโกรธความโลภความหลงไม่มีทําไมมันโผล่ขึ้นมาก็เพราะเราไม่เห็นความคิดนี้เองเรารู้คิดเราเข้าไปในควาคิดแต่ในความปรุงแต่งก็ไม่มีทํำไมมันปรุงแต่งไปก็เพราะเราเข้าไปในความปรุงแต่งแล้วที่พูดนี่ก็เหมือนกับที่เราเข้าไปอยู่ในถ้าถ้าเราไปอยู่ในถ้าเราจุดไฟผมมืดมันก็หายไปแต่เรายังอยู่ในถ้า พอดีไฟหมดแล้วเราก็เลยไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เรา อ, อยู่ในธรําเลยจํายอมอยู่ในธรรมเองอันนี้เขเหมือนกันเราไปเรียนตาราเมื่อคิดหาตาราไม่เห็นคนจําจยอมเอาเลยขนาดนีนอ้อันนี้เราไม่ต้องไปติดําราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในธรรมเราออกจากธรรมออกจากําราเราไม่ต้องมีครูขึ้นในเวทีต้องยกทันทีอันนี้แปลว่าเรามาฝึกขัดโดยตรงไม่ต้องไปอาศัยำตำหนักตาราเมื่อมีคนได้มาพูดปุ๊บเราเอาทันที ไม่ต้องไปเอาคนั้นเอาใจเรามันสติมันจะเร็วที่สุดเหมือนกับนักมวยเหมือนกับเนีมวกับหนูเนี่ยมันจะพูดอย่างไนก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติที่พูดนี่เป็นเรื่องสมมุติเอามาเล่าให้ฟังเท่านั้นเมื่อเรารู้จักสมมุติอันนี้ดีๆแล้วไม่ต้องมีอะไรคําสอนแปดหมื่นสี่พันพธมิตรเป็นสามปีดกคือพระสูตรตันตาปีดกพวินัยปีดกขาพจกรรมปีดกมันไม่มีเรื่องอะไรแล้วมันเป็นขยัน มันเป็นขยะในคําพูดเท่านั้นถ้าสู่เข้าพูดเรื่องบุคคลนั้นคนนี้พระวินัยก็ต้องพูดเรื่องระเบียบวินยัยถ้าที่ทํากเขพูดเรื่องจิตเรื่องใจอาจมามาอยู่ที่วัดสนามนายทาวหนึ่งก็มีเพื่อนเพื่อาไปหาสำนักปฏิบัติธรรมที่เสียนอภิธรรมผู้จนตายเนี้ยพูดอย่างนั้นนะจิตเท่านั้นดวงจิตเท่านี้จิตมันมีเท่าไหร่ จิตผสมกิเลสจิตไม่ผสมกิเลสเอาพูดไปจนตายคนที่เรียนนี่มันยังมีโกรธอยู่ตามเดิมมันจะมีประโยชน์อะไรนึไปพูดแาบนั้นเราไม่ต้องไปพูดก็ได้จิตแปดิบเก้าเจตสิกห้าสิบสองไม่ต้องพูดก็ได้เรามาดูที่ใจตัวเดียวเท่านี้เอาตัวเดียวเท่านี้ไม่ต้องไปเอาหลายเรื่องเอาตัวมันนึกมันคิดขึ้นมาก็เห็นรู้เข้าใจนี่เห็นรู้เข้าใจแปลว่าสัมผัสได้เมื่อเราเห็นอะไรอะไรแล้วมันจะพบไปทั้งหมดเลยไม่ต้องไปพิจารณาเลยมาก ไม่ต้องไปรักษาศีลก็ได้เพราะศีลเนี่ยแปลว่ากําจัดกิเลสยางยาบเนี่ยเราเคยพูดกันกิเลสยางยาคืออะไรคือไม่เห็นผมคิดเลยเดี่ยมันปรุงไปเลยโกดเลยโลภเลยโลมไปนั้นแหะกิเลสยางยาเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากเราเห็นเท่านี้เยมันจะจบทั้งหมดเลยเนี่ยสมาธิกําจัดกิเลสยางกลางนะเราไม่ต้องไปติดโคมสงบอันไปสงบอยู่ที่นั่นมันใส่ไม่ได้เขาเรียกว่าสงบใต่โมหะ ว่ายายนั้นอันนี้อาตมาพูดให้ตัวเองเคยไปนั่งธรำกรรมฐานก็องไปนั่งข่มสงบขัดธมาธิอย่างนั้นขัดสมาธิอย่างนี้ก็หลับตาดูลมหายใจดูลมหายใจมันละเอียดเข้ามันละเอียดเขาก็เลยสงบสงบแล้วก็ไปติดข่มสงบอันนั้นบาดออกมาสู้สังคมสู้ไม่ได้อันนี้คือเวลาติดเราเข้าไปอยู่ในที่มืดเราก็าไปอยู่ในข่มสงบอันนั้นแล้วมันเลยไม่มีปัญญาอันนั้นแหละเราไม่เข้าใจ เราไม่เข้าใจดังนั้นสินึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสยังยาบอันเดียวกันนะกาจัดกิเลสยังยาบคือเรามาดูความคิดความคิดไม่ได้ปรุงกิเลสยางหยาบสมาธิกำจัดกิเลสยางกางคือเราจะไม่เข้าไปในความสงบอันนั้นปัญญากาจัดกิเลสอาละเอียดกับความคิดนี่เหมือนกันอันเดียวกันทั้งนั้นคันรู้แล้วมันจะคบทั้งหมดเลยกิเลสอยาละเอียดคือมันคิดน้อยๆเราไม่เห็นเราชอบเราก็ทําไปอันนี้แรีว่ากิเลสาละเอียดเราไม่รู้ไม่เห ดังนั้นปัญญาจึงรอมลู้ตัวปัญญานี่แหละคือความตื่นตัวความรู้สึกตัวการทําการพูดการคิดอะไรทั้งหมดเมื่อเราไม่เรียกร้องความรู้สึกตัวความตื่นตัวเข้ามาอันนั้นแปลว่าผิดแล้วผิดแล้ ว, แ, ลวแต่คนอื่นจะหาว่าผู้พูดพอของเขาเราจะเป็นผลใจแต่ก็ไม่ได้ห้ามอาจจะไปพูดจะนั้นก็ได้แต่อันใดก็ตามเมื่อพูดแล้วยังไม่ขี่ไม่แน่แนว หรือไม่ที่ลงมาถึงต้นคอของชีวิตอันนั้นแปลว่าถูกน้อยไม่ถูกมากถ้าคําพูดของใครก็ตามคนใดสอนก็ตามเขาแนะให้เรามาดูที่จิตที่ใจอันนั้นถูกต้องถูกต้องจริงๆริงธรรมะถูกต้องพราะพรุทธเจ้าก็ทําอย่างนั้นพราพรเจ้าก็ตัดสรัรูเพ่อการธรรมทางจิตทางใจพอท่านทวนกระแสของจิตของใจนี่เอาขันาไปวางที่น้ํามันทวนกระแสขึ้นไปถึงต้นน้ํา ไปถึงฮอกาลาน่าอันนั้นเป็นคำพูดเป็นสมมุติปัดนี้คือทวนกระแสของนาง้าคือบันคิดพุ๊บเห็นฟัะไม่ต้องไปกับมันอันนี้เป็ว่าทวนกระแสของความคิดเนี่ยปัดนี้การตัดสลูของพระพุทธเจ้าก็คือเห็นความคิดนี้เองตัดสลูลู่แล้วไม่ต้องทําว่าอย่างไรก็ได้ด้วยตัดสรูคือพ้นไปแล้วคือไม่ต้องไปสงสัยว่าอย่างไรก็ได้เพราะว่ามันเยอะมากที่สุดเนีย่ยเป็นอย่างนั้นที่อาจามาพูดนี่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตํารา จะเอาคนจริงมาพูดให้ฟังคนเรามันมีกายมีใจไม่ต้องไปพูดอัญตนาภายนอกภายในไม่ต้องพูดก็ได้ตาเห็นรูปให้สักว่ารูปหูฟังเสียงให้สักว่าเสียงอันนั้นมันยังมีการปูุถ้าเรามาดูที่นี่เราไม่ต้องไปมีภาพวิจารณ์เลยตาเห็นหูฟังเสียงไม่ต้องไปคํานึงคํานวณมันเลยมันจะสวยจํางามเป็นเรื่องของตาเรามาดูที่ตรงนี้ความสวยความงามมันก็ไม่ต้องมีจะเพราะไม่เพราะมันก็ไม่ต้องมีแล้ว พอเรามาดูที่ต้นตอของชีวิตแล้วเราจัดหนักเดิมมันแล้วนี่นี่ดับวิธีที่เดินไปหาขพระพเจ้าพระพเจ้าอยู่ที่ไหนพระพเจ้าก็คือตัวจิตใจตัวชีวิตมันสะอาดมันสว่างมันสงบนั่นแหละคือพระพเจ้าสะอาดคืออะไรสะอาดคือตัวชีวิตของเรานี่เนี่ยมันไม่เคยสกปรกเลยมันเป็นอย่างนี้สว่างเราจะว่ายังไงสว่างเพราะเราเห็นเหมือนเราเดินตามวัน แล้วก็ไปที่ไหนก็ไม่สนหลักสนต่อไม่ลงครูลงคลองนี่คือคำว่าสว่างสงบก็เป็ว่าความคิดมันหยุดได้หรือว่าหยุดกันไปสนทนาไปศึกษาคนนั้นคนนี้จะพูดยังไงก็ได้คาว่าความสงบนี่หมายถึงหยุดหรือหมายถึงพอแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วนี่คําว่าสงบไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากเนี่ยรวมมาเท่านี้เองแต่ทุกคนมีแล้วเดี๋ยวนี้อตาตมารับรองว่าทุกคนมีเพราะใจิตใจมันมีหลักษณะ อย่างนี้ลักษณะชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุเปกขาอุเปกขาไปวางเสยไม่ได้เวลาจะไปวางเสื้อวางผ้าคนพูดอะไรไม่ต้องพูดต้องทำไม่ได่อย่างนั้นคือลักษณะชีวิตของเราเนี่ยมันวางแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ย็คือมันไม่ยึดไม่ถืออันที่มันยึดมันถือนั้นไม่ใด่เป็นชีวิตของเราไม่ได้เป็นจิตเตกขาเราไปอดเขาเราไปเว่าเอาอันมันไม่ได้เป็นของจริงของแท้นี่ว่าสมมติ ไม่ใช่เป็นของจิตของจริงคือมันมีอยู่แล้วจิตใจเป็นอุเตขาเนี่ยวางเสยคือมันมีหลักษณะอย่างนี้ทุกคนมีแล้วไม่ยกเว้นเลยผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระสงฆ์องค์เด่ก็มีพวกก็ได้ไม่พวกก็ได้มันเป็นอย่างนั้นทุกคนเรื่องนี้ให้เราเข้าใจอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นเราจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเลยไปอย่างนั้นอัน น, นี้ที่นามาร้อยฟังวันนี้ก็อนพอที่จะจับใจผมได้นะ้ นำไปปฏิบัติเลยรับรองได้บอกว่าถ้าพูดจริงๆก็เรียกว่าไม่ผิดนะเนี่ถ้าจะพูดตามหลักษณะออกมันอาจจะผิดกับตำราอาจจะขัดข้อกับตัวหนังสือแต่ควมจริงแล้วอาตมาเข้าใจว่าไม่ผิดเพราะทุกคนเห็นแล้วก็จะว่ารับรองได้บอกว่าไม่ผิดเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระบรมเจ้าทัานไม่ได้เป็นเจ้าสาย ธ, ธิดาทักุมาญคือเป็นหลักศรนกจิตใจอุเบกขาต่างหาก จิตใจอเอาปขาดเนี่ยคือต้นตอของชีวิตจิตใจนั้นมันมีแล้วอย่าไปสร้างมันขึ้นถ้าไปสร้างมันขึ้นแปลว่าเราไปสร้างของไม่มีให้มันมีขึ้นมาเราจะไปปลูกบ้านอยู่ในเมืองสวรรค์ไปปลูกอยู่ในอากาศมันปลูกไม่ได้ลงพัดมันหักลงมาเราจะไปสร้างสิ่งที่ไม่มีขึ้นมาเราต้องสร้างของที่มันมีแล้วนี่เราไ ป, ป, ป, ปหาลมโดยบนโลกมุมล้งหาจนตายก็ไม่เห็น ถ้าเรามาดูต้นตอของสิริเนี่ยแปลว่าเราเห็นแต่โลกคนโลกทขมันไม่นีเรามา ด, ดูที่ตรงนี้มันก็นเลยจบสิ้นกันไปทั้งหมดเลยนี่แหละคําสอนของพุท ธ, ธาศาสนาสอนกันมาแค่นี้เราไม่ต้องไปพูดอะไรมากแต่วิธีทำนั้นมันหลายแต่ที่อาตมานํามาพูดนี่คือเฉพาะอาตมามาใช้ตัวสิริของอาตมาได้นับวนไม่มีทุกข์เพราะอาตมามาทำสมเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิธีเด็รู้ มันทิดตาพอรู้มันหายใจพอรู้มันนึกมันคิดอะไรรู้มันก็เลยพอหมาะกันข้าวมันก็เลยจัดการได้กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับนักมวยไม่ต้องไปขึ้นควายปู่ก็ได้ขึ้นไปในเวทีซกทันทีเลยมันเป็นอย่างนั้นเอาแหละที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแต่เดียวที่ก็ต้องเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงตรงให้ดสุดนี้อัลตมาพ่อช่วยท่านกันหลาย มานั่งฟังธรรมะอยนาสถานที่นี้อาตมาขออ้างคุณเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสอนขององค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของาราาารรพระอาจารตสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตื่อนจิตสกิดใจของพวกเราทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายเรียกน้องอาความตื่นตัวความรู้สึกตัวอยู่เสมอมาตราบความไม่รู้ให้มันหายไปให้เราปราบได้ในชีวิตนี้จงทุกคนเถิด